เรื่องเล่าของบางซูสตอนที่สองสัมผัสสยองกลับมาพบกันอีกแล้วนะครับกับสัมผัสสยองวันนี้แอดมินจะมาถ่ายทอดประสบการณ์ของคุณบางซูสกันต่อ จากที่ในตอนแรกที่คุณบางสุดกับครอบครัวได้เดินทางกลับไปยังบ้านเกิดของคุณพอ่อที่จังหวัดราชบุรีหลังจากที่ไม่ได้กลับไปเยือนมานานแล้วหลายปีมันทำให้เขาตื่นเต้นมากที่จะได้เห็นหน้าของปู่ที่ตัวเขาเองก็ไม่เคยเห็นแม้แต่รูปถ่ายของปู่เลยด้วยซ้ำพอไปถึงวันแรกก็มีเหตุการณ์ที่ไม่คาดคิดเกิดขึ้นซึ่งเขาได้พบเจอกับวิ ญ, ญญาณ ของคนที่คิดว่าน่าจะเป็นบนรรพบุรุษของเขามันทำให้เขาและครอบครัวถึงกับคนลุกไปตามๆกันและหลังจากเหตุการณ์ในวันแรกแล้วในวันที่สองจะเป็นยังไงต่อเรามารับฟังกันเลยดีกว่าแต่ถ้าหากใครที่ยังไม่เคยได้รับฟังในตอนแรกก็สามารถย้อนกลับไปฟังเรื่องเล่าของบางสูสตอนที่หนึ่งกลับมาแล้วเหรอ ได้นะครับขอบใจนะที่ทำสารให้เสียงไก่ขันนกร้องในยามเช้ามันทำให้ผมลุกขึ้นจากที่นอนเลือบไปมองนาฬิกาเฮ้ยนี่มันเจ็ดโมงเช้าอิองนี่นะทำไมทุกคนถึงได้ตื่นและหายไปไหนกันหมดแล้วผมสอดสายตามองไปรอบรอบบ้านก็ไม่เห็นมีใครสักคน ก็เลยเดินไปสวมรองเท้าที่ถอดเอาไว้ที่หน้าบ้านแล้วหางตาของผมก็หันไปเห็นป้าพอ่อแม่และน้องกำลังยืนหยุดตรงสารที่รถจอดอยู่เพราะผมเดินเข้าไปไกลกๆก็เห็นคนหลายคนเหมือนกับว่ากำลังรื้อสารป้าผมหันมามองพร้อมกับถามว่าตื่นแล้วหรอนิวผมยืนยิ้มแล้วพยักหน้าครับ แล้วจึงได้เอ่ยถามป้าด้วยความอยากโรจะทำอะไรกันหรอครับป้าหรือสารทำไมอะ่ะป้าผมตอบกลับพร้อมกั บ, บรอยยิ้มว่าป้าจะทำสารใหม่จ้ะสารนี้ดูสุดโสมมาป้าเลยอยากที่จะทำให้เขาใหม่ผมยืนคิดอยู่พักหนึ่งเขาที่ป้ากำลังหมายถึงนี่คือใครกันแต่ความหิวมันแทรกขึ้นมาในเวลานั้นผมจึงไม่สนใจอะไรแล้ว นอกจากจะไปกินข้าวแต่ขณะที่ผมกำลังจะเดินกลับบ้านพร้อมกับแม่และน้องผู้ใหญ่คนหนึ่งที่กำลังรื้อศาลอยู่ได้ถอยหลังไปเหยียบรถมอเตอร์ไซค์มันเป็นรถของเล่นคันเล็กๆผมจึงเดินเข้าไปหยิบหวังที่จะเอามาเล่นและแล้วเสียงหนึ่งก็ดังขึ้นมาวางของน้องลงเดี๋ยวนี้น้องงงสิครับ แม่หมายถึงใครผมจึงถามแม่กลับไปว่าน้องที่ไหนอะแม่แม่ยืนมองตรงไปพร้อมกับชี้ไปที่หุ่นตุ๊กตาเด็กตัวหนึ่งใช่ครับกุมารทองนี่เองผมเข้าใจในความหมายของแม่แล้วแม่เดินเข้าไปแล้วค่อยๆย่ อ, ยยอลงชา้ชาๆตรงหน้าตุ๊กตากุมารทองพร้อมกับพูดว่าทงวดนี้แม่ถูกหวยเยอะ เดี๋ยวแม่จะซื้อรถให้หนูใหม่นะผมคิดในใจเอาอีกแล้วคนลุกอีกแล้วเราหลังจากที่แม่พูดจบผมแม่น้องและป้าต่างก็พากันเดินเข้าบ้านทิ้งให้พอ่อลุงและผู้ใหญ่คนอื่นๆได้ทำหน้าที่กันต่อไปเวลาผ่านไปไวเหมือนโกหกเจ้านาฬิกา มันก็เดินมาถึงเวลาใกล้พบข้ามอีกแล้วจูจูก็มีเสียงเหมือนอะไรกระทบที่หลังขาดังแปะแปะใช่ครับฝนกำลังเริ่มตกลงมาแม่กับป้าจึงได้ตะโกนเรียกพอ่อลุงและคนอื่นๆให้รีบเข้าบ้านกันพ่อผมได้ตอบกลับมาทันควันเสร็จแล้วกำลังจะเข้าบ้านในขณะที่พ่อผม ลุงและคนอื่นๆกำลังจะเดินกลับนั้นป้าผมก็บนขึ้นมาทันทีไปชวนใครเข้ามากินอีกเนี่ยเดินมากันเต็มเลยเดี๋ยวกลับไปถึงบ้านต้องคุยด้วยสักหน่อยแล้วป้าพูดจบพร้อมกับทำหน้าโมโหแต่ในขณนะดเดียวกันผมได้ชี้นิ้วไปที่สารพร้อมกับบอกแม่ว่าแม่เด็กที่ไหนมาวิ่งเล่นตรงหน้าสารนะ่ะ ดูจากการแต่งตัวแล้วใช่ครับเหมือนตุ๊กตากุมานทองที่ผมกับแม่เจอเมื่อเช้าเลยนี่นาแค่ลำพังเห็นวิ่งคนก็ลุกแล้วครับจากนั้นสายตาของผมแม่และป้าต่างก็เห็นผู้หญิงใส่ชุดนางรำยืนรำวนอยู่รอบศาล 4-5 ห้าคนได้เท่านั้นยังไม่พอบนศาลนั่นเองได้มีผู้ชายแก่ๆนั่งยิ้มหัวเราะอยู่บนศาล เขาแต่งตัวคล้ายๆกับลือสีเลยเรายืนมองกันสักครู่หนึ่งป้าผมจึงรีบวิ่งอย่างรวดเร็วเพื่อไปหยิบกล้องมาถ่ายพอได้กล้องมาป้าก็กดชัตเตอร์ไปหลายสิบครั้งน่าจะได้ในขณะที่พวกเรากำลังยืนมองดูด้วยความงุนงงพ่อกับลุงก็ได้เดินเข้ามาถามว่าดูอะไรกันนอะแม่ผมจึงถามกลับไปทันทีว่า ชวนใครมาที่บ้านอีกล่ะพ่อกับลุงถึงกับทำหน้างงแล้วพูดกลับไปว่าชวนใครอะไรยังไงเดินกลับกันมาแค่สองคนไม่ได้ชวนใครมาสักหน่อยเท่านั้นแหละครับหน้าแม่กับป้าถึงกับทอดสีแล้วป้าก็ได้ชี้ให้พ่อกับลุงดูที่ศาลแต่ทั้งคู่เป็นคนที่ไม่ค่อยกลัวเรื่องพวกนี้เท่าไหร่ก็เลยไม่ยอมดู แถมยังมีการบอกอีกนะว่าเออเดี๋ยวอ้อมไปด้านหลังศาลไปดูให้ชัดๆเลยซึ่งด้านหลังศาลจะเป็นโพรงหญ้าสูงประมาณสักเมตรครึ่งได้ครับพอพูดจบพ่อผมก็ไม่รอช้ารีบเดินลุยฝนออกไปทันทีพ่อผมค่อยๆยองเดินช้าๆพอถึงที่หมายพ่อผมก็กระโจนเหมือนจะจับใครสักคน แต่ให้ตายเถอะเพราพ่อผมโผล่ไปปุบสิ่งที่พวกเราเห็นกันก็หายวับไปกับตาทุกคนที่เห็นต่างพากันอึง้งวันถัดมาป้าผมก็ได้นำรูปถ่ายไปลางเพื่อจะเอามาให้พ่อดูว่าสิ่งที่เราเห็นเป็นเรื่องจริงแต่เชื่อไหมครับว่ารูปที่ถ่ายในวันนั้นเป็นรูปควันสีขาวหมดทุกรูปเลยขณะที่ทุกคนหน้าตาตื่นตกใจกับรูปถ่าย แต่มีคนเดียวในขณะนั้นที่ยืนยิ้มคนนั้นก็คงต้องเป็นแม่ผมละครับถูกหวยน่าจะหลายตังอยู่ถึงได้ซื้อรถมอเตอร์ไซค์คันใหม่มาให้น้องกุมารทองอีกซึ่งมันทำให้ผมเริ่มจะอิจฉากุมารทองเข้าแล้วละสิแต่เดี๋ยวก่อนเรื่องรามันยังไม่จบเพียงเท่านี้ครับในวันที่สจะมีคนเข้ามาส่งของที่พ่อของผมได้สั่งเอาไว้ แล้วพวกเขาจะพบเจอกับอะไรกันอีกเรามารับฟังเรื่องราวในวันที่สามกันต่อเลยกูอยากดูอากาศยามเช้าช่างสดชื่นอะไรอย่างนี้ผมยืนบิดขี้เกียจอยู่หน้าบ้านพร้อมมองป้ากับยาที่กำลังใส่บาทในตอนเช้า ในขณะที่พระกําลังให้พรป้ากับญาผมอยู่นั้นผมก็ได้ยิ้มให้กับเด็กวัดคนหนึ่งที่เดินตามพระบินทบาทซึ่งดูแล้วอายุน่าจะไล่เลี่ยง ก, กันกับผมแต่เด็กคนนั้นดันไม่สนใจผมเลยเขามองเข้าไปในบ้านจ้องตาค้างเหมือนกับเห็นอะไรบางอย่างแล้วเด็กวัดคนนั้นก็รีบหันหน้าหนีพร้อมกับไปแอบที่หลังพระแทนที่จะยืนข้างๆ ผมก็งงสิครับพอหลังจากพระให้พรเสร็จป้าก็ได้ลุกขึ้นเอ่ยถามผมว่าวันนี้ป้าจะเข้าไปตลาดในเมืองไปกับป้าไหมผมรีบตอบอย่างไวเลยครับไปครับไปครับอยากไปดูของเล่นด้วยป้ายิ้มแล้วบอกว่าถ้าวันนี้ช่วยป้าถูบานป้าจะซื้อให้เลยผมรีบพยักหน้าตอบตกลง โดยลืมคิดไปว่าถูบ้านต้องถูทั้งสองชั้นป้าคงไม่ให้เราถูแค่ชั้นเดียวหรอกแต่ทำยังไงได้ล่ะครับถ้าไปขอแม่ซื้อให้คงไม่มีวันหรอกครับเพลิเจะโดนตีแทนเลยด้วยซ้ำงานนี้ก็เลยต้องยอมครับผมไม่รอช้ารีบซักผ้าเอามาถูพื้นโดยไวแต่ก็ยอมรับว่าทำแบบลวกๆสะอาดหรือไม่สะอาด ผมไม่รู้หรอกครับโดยเฉพาะชั้นสองของตัวบ้านแต่ก็ยังดีที่เป็นตอนเช้าถ้าเป็นตอนเย็นไม่มีทางหรอกครับที่ผมจะทำหลังจากดูบ้านเสร็จป้าก็ได้บอกกับผมให้รีบไปอาบน้ำแต่งตัวจะออกไปตลาดกันแล้วคนขับรอนานแล้วคนขับที่ว่านี้ก็คือพ่อของผมเองครับเมื่อมาถึงตลาด ตอนนั้นก็เป็นเวลาประมาณสิบโมงกว่าแล้วตลาดที่ว่านี้ไม่ใช่ตลาดสดนะครับเป็นตลาดที่ขายเครื่องใช้ไฟฟ้าซะส่วนใหญ่เนื่องจากสมัยก่อนห้างในต่างจังหวัดยังไม่มีถ้าอยากได้เครื่องใช้ไฟฟ้าก็ต้องมาหาในแหล่งอย่างนี้แหละครับหลังจากเดินเลือกกันอยู่นานพ่อผมก็ได้ตัดสินใจซื้อทีวีใหม่แต่ว่า เจ้ากลับยังไงล่ะเนี่ยพ่อผมเอ่ยขึ้นพร้อมกับทําท่าครุนคิดเนื่องจากทีวีเมื่อสมัยก่อนยังเป็นทีวีแบบหลังเต่าครับไม่ได้มีขนาดทีเล็กและเบาเหมือนอย่างทุกวันนี้พอเจ้าของร้านเห็นพ่อผมยืนคิดอยู่สักครู่หนึ่งแกเลยเอ่ยถามมาว่าบ้านอยู่แถวไหนล่ะเดี๋ยวให้ลูกน้องเอาไปส่งให้ถึงบ้านเลยฟรี พอพ่อผมได้ยินดังนั้นสีหน้าก็ค่อยดีขึ้นมาหน่อยรีบตอบกลับไปพร้อมกับเขียนแผนที่แล้วทำการจ่ายเงินเมื่อเสร็จธุระของพ่อกับป้าเรียบร้อยแล้ ว, ลวก็ไม่ลืมที่ผมจะทวงของเล่นล่ะครับแต่ยังไม่ทันจะถามเลยป้าก็รีบพาไปเลือกอย่างไวฮ่าฮสบายผมละเมื่อทุกอย่างเสร็จเรียบร้อยพวกเราก็เดินทางกลับบ้านกัน แต่ก่อนที่จะกลับบ้านพ่อผมได้แวะบ้านของเพื่อนพอ่อที่อยู่ใกล้ๆแถวนั้นพอดีเราใช้เวลาอยู่บ้านเพื่อนพ่อหลายชั่วโมงอยู่จนกระทั่งเกือบเกือบบ่ายสามโมงเราก็ได้เดินทางกลับกันพอมาถึงบ้านเราก็ได้เห็นชายสามคนกําลังเดินออกจากบ้านเมื่อเขาหันมาเห็นหน้าพ่อกับป้าผมเขาก็รีบพูดทันทีว่า ผมเอาทีวีมาส่งให้ครับผมได้ทําการจูนช่องและสัญญาณไว้ให้เรียบร้อยแล้วแต่เดี๋ยวก่อนครับพอผมทําหน้างงกับคนที่มาส่งทีวีในบ้านไม่มีคนอยู่นี่นาเพราะแม่กับย่าผมไปบ้านหลังคางๆนั่งคุยและลุ้นหวยกันอยู่แล้วพวกเค้าทําไมถึงกล้าเข้าไปในบ้านทั้งทั้งที่ไม่มีคนอยู่ไม่มีมารยาทเอาซะเลย ป้าผมทำสีหน้าเหมือนไม่ชอบใจแต่แล้วเสียงของชายหนึ่งในสมก็พูดสวนความคิดขึ้นมาทันทีเมื่อกี้ผมเห็นตาแ ก, แกนั่งอยู่ในบ้านตาแกบอกให้พวกผมเข้ามาได้เลยครับตาตาคือใครที่ไหนพ่อผมเอ่ยถามผมก็ไม่รู้เหมือนกันครับผมเห็นแกนอนอยู่กลางบ้านพอผมพูดกับแกเสร็จ แกก็ลุกเดินขึ้นชั้นสองไปพร้อมกับยายแก่แกใส่ชุดสีดำที่นั่งหยุดลงข้างๆบันไดนะครับเพราะพ่อกับป้าได้ยินดังนั้นก็ถึงกับขนลุกในบ้านไม่มีใครแล้วใครกันที่นั่งอยู่ในบ้านใครกันที่เดินขึ้นไปชั้นสองของบ้านแต่เท่านั้นยังไม่พอครับชายหนึ่งในสายังบอกกับพ่อผมต่ออีกว่า ใบประกันและคู่มือการใช้ผมให้ไว้กับตาแล้วนะครับพี่หลังจากสิ้นเสียงพูดพ่อผมก็ไม่รอชา้ารีบขึ้นไปชั้นสองโดยเร็วและแล้วก็เจอจริงๆครับใบประกันและคู่มือการใช้วางอยู่บนโต๊ะตรงข้างๆกดกระดูพ่อผมถึงกับยืนอึง้งอยู่พักใหญ่เลยทีเดียวในขณะที่เราสามคน ยืนงงอยู่บนชั้นสองของบ้านทีวีที่ชั้นหนึ่งมันก็เปิดเองพร้อมกับเสียงเหมือนมีคนพูดคุยสนทนากันอยู่ซึ่งฟังจากน้ำเสียงและคำพูดแล้วไม่น่าจะใช่เสียงของทีวีแน่ๆ น, น้ำเสียงนั้นค่อนข้างจะเยือกเย็นแล้วผมก็ได้ยินคำคำหนึ่งที่ชัดมากกูอยากดูกูอยากดู กูอยากดูพ่อผมค่อยๆเดินลงมาดูพร้อมกับสอดสายตาไปยังรูที่สามารถมองผ่านลอดช่องไปยังบริเวณตรงที่วางทีวีได้และแล้วสิ่งที่เห็นก็คือกลุ่มควันสีขาวลอยวนหยุดตรงกลางบ้านบริเวณตรงที่วางทีวีเลยครับผมกลัวมาจับแขนพ่อไวแนนเห็นกลุ่มควันเหล่านั้นได้ลอยวนใบวนมา จนแม่ผมเปิดประตูเข้ามาในบ้านกลุ่มควันเหล่านั้นจึงลอยพุ่งออกไปตรงหลังบ้านอย่างรวดเร็วแล้วก็หายไปพร้อมกับเสียงร้องหวยหวนโอ้ยโอ้ย เหมือนโดนน้ำร้อน่วกอะไรอย่างนั้นทิ้งความงุนงงให้ผมกับพ่อที่กำลังแอบมองอยู่ให้ยิ่งงงเข้าไปกันใหญ่นี่มันคืออะไรกันแต่คนที่เดินเข้ามาแล้วดูจะอารมณ์ดีเป็นพิเศษก็ต้องเป็นแม่ผมละครับที่ถูกหวยพอตกดึกในคืนนั้นแม่ผมได้นั่งดูรายการทีวีรายการหนึ่งอยู่แม่บอก ว่าได้ยินเสียงแววแวเหมือนมีคนบอกว่ากูขอดูด้วยกูอยากดูพอแม่หันหลังไปก็ไม่เจอหรือได้ยินเสียงอะไรแล้วแม่ยังบอกอีกว่าตอนที่แม่เดินเอาจานข้าวไปเก็บตรงหลังบ้านก็เห็นเหมือนเป็นเงาแวบไปแวบมาซึ่งเป็นจุดเดียวกันกับที่พ่อผมเห็นกลุ่มควันเหล่านั้น พุ่งออกไปจากตัวบ้านในตอนต่อไปเป็นวันที่สี่มันเป็นอะไรที่ผมคิดว่ามันค่อนข้างจะชัดเจนและน่ากลัวกว่าสามวันที่ผ่านมาก่อนหน้านี้เรื่องราวจะเป็นยังไงต่อผมจะกลับมาเล่าและแบ่งปันประสบการณ์ให้ได้รับฟังกันอีกในตอนต่อไป หัดสิยอง